เขาคนนั้นของเธอก็บอกติ undr null กรถไม่ลงที่เธอ to 3 just... Je te dirai que โดนอีกแล้วอีกแล้วเพลงของ 3 มี 27 มีนาคม 2553 นะครับครับโอ๊ยหลายๆคนนะเดี๋ยวๆต้อง แต่ทําไมพี่ยอดเงียบจังเลยพี่ยอดเงียบพอพี่ได้จับพี่ยอดอยู่แล้วมารายงานตัวแล้วครับเพิ่งกลับมา 2 ล้านราเหมือนเดิมจากพี่เอมแล้วก็คุณพี่ จะง่วงเฮ้ยสภาพมาครับเอออ่ะแล้ว 02 338 3589 90 เนาะเออโทรเข้ามาแล้วใช่ๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวโทรเนาะ <laughs> คุณพัทนะครับคุณพัทส่งข้อความว่าของพี่โหนกก็ต้องประภาขาดจับแดนชนันเรื่องนี้นะบ้านั่นเป็นรักที่ไม่เคย ลบได้ใหม่มันก็คือต้องบอกว่ารูปแบบเปรี้ยวเลยอ่ะใครที่โทรเข้ามาเราก็อยาก ที่ส่งเข้ามาจําได้นะพี่ที่เราจากไอเรดิโอแล้วเราจะเอาไปหากศิลา Radio Foreman@hotmail.com ก็ได้นะครับมีคุณเอพระขหนงก็คอยตอบเมลอยู่ ก็มันก็ไม่เพิ่งฮะมันก็ถ้าให้ผมดูตอนแรกก็ๆใกล้ๆมั้ย ก็เมนเว็บไซต์ที่บอกหาคนคุยหาไหนอะไร 18 แล้วฮะ 5-6 ปีอืมครับก็ก็ตามวิสัยทั่วไปอ่ะก็คือก็ครับผม แล้วก็แบบตอนนั้นผมก็ไม่ดีเองแหละเออครับงานกันไหนคบกันนานแค่ไหนคนนั้นก็คบนานจนกระมังปี 1 ผมก็ประมาณว่าไปเจออีกคนนึงเลยครับปี 1 ครับผมอือ 2 คน แต่เหมือนคนคนอนาคตแล้วของผมเค้าก็อยู่ๆไปเค้าก็เออเค้าก็เริ่มแบบเครียดแคงกับโทรศัพท์อะไรแบบทําไมเวลาไม่ตรง ครับครับเค้าก็โผล่เข้ามาเสียงเค้าเสียงเค้ามันจับบรรยากาศได้ว่ามันเออเออเค้าก็พูดขึ้นมาแล้วตามตามตามแถวตามฟอร์มเลยไม่มีอะไรก็งงๆว่าเออมีเออก็รู้มาว่าพอพอคําพูดเนี่ยผมก็ กันถึงว่าตัวเองกบกบเตือนเนี่ยไงครับซึ่งเค้าบอกกับลุงอารยะตรงนั้นนะว่ามีคนนี้เออชื่อนี้ใช่มั้ยอืมก็ไปหา ก็จะทําอย่างนี้คนอื่นอีกอู้ยแรงอ่ะไม่ๆๆไม่เค้าไม่ได้แรงการ์ดอ่ะแรงการ์ดอะไรครับพูด <comforting téléphone> อ๋อคือผมไม่รู้เพราะคือรับมันรับรู้ได้ว่าผมจริงๆแต่ว่าผมกลายเป็นผมที่ไม่รู้จักพออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้นะ ครับก็แต่ตอนนี้เค้ารู้ใช่มั้ยว่ากัสเสียใจอยากจะขอโทษเค้าแล้วขอโทษไปแล้วด้วยถูกมั้ยครับก็ก็รู้แล้วก็ก็คือตอนที่เออขอโทษนะที่เป็นที่เออเพราะ เป็นเป็นความรักที่รักอ่ะรักมากที่สุดเป็นรักและที่ครับเออแล้วก็ทําครับอ๋อตาลแล้วเค้าร้องมาร้องไห้มาให้เราเห็น เสียฟอร์มไม่ได้ไม่อยากจะแบบเสียฟอร์มไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นที่เค้าร้องออกมาเนี่ยจริงๆเค้าเป็นคนที่มีน้ํา กั๊ดเสียใจที่คิดว่าอย่างนั้นนะฉันคิดว่าเค้าคงรักเธอไงอืมก็รักไงแล้วเออแบบเออแบบในเมื่อเค้าไม่เลือกเรา คือตอนตอนนั้นเบอร์ยังมีๆเหมือนกับโดนลบออกไปแล้วหายไปคือ ว่าที่ผมยังเออก็แสดงว่าอย่างเงี้ยครับถ้า ผมไม่รู้เหมือนแต่ว่าตอนแรกเค้าไม่มีมือถืออืมผมอ่ะมีแต่เค้าอ่ะหย่อโตผม 15 นาทีทุกวันเวลาเดียว 5 เดือนเค้าก็เออซื้อ PCC อ่ะเค้าก็ๆๆๆแล้วก็ ครั้งหนึ่งมีคนเคยรักเรามากที่สุดขนาดนี้แล้วเราก็เจ็บมากที่สุดที่เราตัดสินใจที่จะเลือกอีกคนนึงในช่วงตอนนั้นนะต้องเรียกว่าอืมดีมากคําพูดดีอีกจริงๆแล้วถ้าเรา เก็บ AMP 3 อันนี้ไว้นะหมายถึงการ์ดน่ะเก็บเองเลยนะเซฟเก็บแล้วได้เกิดได้มีโอกาสได้ๆของโอเคขอบคุณ สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรนะวีครับคุณเวอ่ะตบมือให้เค้าหน่อยดีกว่าเค้ายังไม่ได้พูดอะไร อ่ะจากเคย คุณวิทยาแสงอรุณนะเมื่อถึงมันมันเป็นไอดีโอมันก็ต้องต้องสรรหาคุณอ๋อก็คือตามได้ฟังเสียงก็น่าจะดีไม่เดี๋ยวเงินถาม เอ่อเจนาวีสำโรงเอ่อเจนาวีสำโรงอายุวีอายุ 30 ครับ 30 โอ้ เอ่อก็ 29 30 30 ปีเนี่ยโอ้นี่คุณคนหลังไว้ยื้อเล่นไว้ไว้จะอายุเท่าไหร่ไม่บอก 40 กว่าเท่า 40 มาเยอะแล้วเอ้ยหลายปีแล้วเออแต่ เด็กเค้ามีแฟนยังมีมีแฟนยังอ่ะนี่ครับอ๋อเพิ่งเริ่มเอ้ามึงเริ่มแล้วก็อะไรละเอียดมาอยนนสส 56 ฮะ 56 สูงสูงร้ายครับ 169 โอเคอ่ะมีความดีเนี่ยพอเป็นนิดนึงไม่เป็นไรนะ ใช่มั้ยแต่หน้าไม่รู้เกาหลีหรือเปล่าดิหน้าเกาหลีหน้าเกาหลีเออแล้วก็ดีจนหน้าเกาหลีเอออ่ะนะเค้าก็อย่าดูดิเค้าเค้า ครับผมเป็นเป็นเพราะประเด็นหรือเปล่าอยากจะเล่าเข้ามาเนี่ยเพราะประเด็นเออ ขนาดนี้ศพก็อยู่ 2 ชิ้นแยก 2 ชิ้นชิ้นนึงอยู่ในขอเชค่ะเอออีกชิ้นนึงอยู่ในคุณวีค่ะอ้าวต่อมานี่ๆๆครับคนที่เราครับก็ก็เป็น 12 ปีครับโหยประมาณเพื่อน ก็ก็เป็นถึงเสน่ห์ครับก็เจ็บเจอครับที่ทํางานครบกันกี่ปีแล้วอีกทีดิ 12 ครับ 12 ปีเพื่อนที่ทํางานด้วยประมาณประมาณ 12 ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มต้นได้เป็นเพื่อนที่ทํางาน อ่าขยันครับคืออย่างถ้าขยันในความคิดฉันเนี่ยมันคืออีกแบบนึงนะ เสบราประมาณเท่าไหร่อ่ะเราตีซีกว่าจะเอ้ยเราตกลงเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็จะตีจนโคตรตาย เออแล้วแล้วยังไงอ่ะเออเราตีอือแล้วแล้วอยู่ๆมามาเราเรายังไปอ๋อเราอ่ะพาร์ทไทม์แต่เค้าอ๋อ อ่าเดี๋ยวก็สืบมันรู้รู้หมดแล้วเออๆๆแถวๆสำโรงมีกีฬาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ 12 ปีก็นัดไปท่อง อือว่างก็มาปะเทนปะตะทิงหน่อยเอออึมคึ้มยิงก็มาบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยครับก็เค้าก็รู้จัก หรอที่บ้านมีใครถามนะใครถามพ่อครับพ่อถามถามว่าครับถามถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเพื่อนเธอถามครับว่าเจ้าดุนออกสาวนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ครับผมจะออกมากอ๋อแล้วพ่อเค้ากังวลอะไรอย่างงี้ครับกังวลมั้ยฮะว่าเออถ้า อืออะไรอย่างนั้นโอ้เข้าใจแล้วอ่ะพ่อถามพ่อถามเผื่อก็อึ้ง อ่าไมค์ป๊อปครับเออแต่พอพอแต่ลุกลุกขึ้นปุ๊บขี้แตกเลยกะกะไม่ใช่เหรอแล้วยังแล้วยังไงเต่านะเป็นสนสนใจมาก พ่อไม่พ่อไม่พ่อไม่พูดอะไรต่อหลังจากบอกป่าวครับไม่ได้เป็นเกย์เออใช่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวๆก่อนแล้วใครตอบ พ่อรู้ไงใช่มั้ยแต่พอก็ไม่รู้ไม่รู้วีชใช่รู้แล้วเออแต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้แล้วรู้ไม่เดี๋ยวรู้ก่อนหน้านี้หรือครับไม่เพิ่งรู้เมื่อหน้านี้รู้เมื่อหน้านี้ โอ้โหก็เดือนที่หน้านี้ก็เดือนครึ่งเองอ่ะเรามาครับเรามาเออยังไงเค้าเค้าเลิกยังไงก็เหมือนกับทะเลาะกันครับมีเออแต่เค้าก็บอกว่าเออเหมือนเค้าแบบเค้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอ๋อเค้าพูดใช่มั้ย เรื่องนี้ไปเลยเลยไงครับเรื่องนี้ไปเลยคือเรื่องเลิกกันเรื่องเลิกใช่ครับโอ้ตายแล้วจะจะแบบแต่ครับครับช่วงหลังๆก็มีบ่อยบ่อยครับแต่ก็คือมันเป็นน้อยๆเรื่อง อะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นอืมประมาณน่ะเอาอืมที่ทะเลาะกันทะเลาะกันเอ่อเหมือน ไม่คุยไม่พูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคือคุยปุ๊บถ้ามีปัญหาปุ๊บต้องเคลียร์ให้จบกันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ มันเหนื่อยมันสุดแล้วใช่ๆๆๆใช่ครับไม่ชอบทะเลาะอะไรอย่างเปิดเปิดประเด็นเนี่ยเปิดประเด็นทะเลาะใช่ตัวปิ้นไปอยู่ ประมาณเนี้ยแหละแต่ครั้งนี้มันคงหนักมากจนที่แบบว่าเอ่อต้องพูดอ่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วครั้งๆเฉยๆอะไร แล้วเค้าเหมือนกับเค้าบอกอืมอืมเพราะว่าพอมีปัญหาปุ๊บพอทะเลาะกันปกติเราเป็นคนฝ่ายงอใช่ถามลึกๆๆๆเลยอ่ะคุณวีคิดว่าแฟนเราเนี่ย ก็ตอนเนี้ยครับครับแล้วเหรอครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันน่ะโทรแล้วเค้า มีเวลาเนี้ยเราตัดใจแล้วอะไรเราตัดใจได้แล้วครับอือฮึทําใจได้แล้วใช่ครับเออเขาแบบนี้ถามว่าเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็สบายดีอะไรเงี้ยแล้วเค้าว่าก็ ถามไปเลยว่าเค้ามีมีคนใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเค้าถามว่าว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยใช่มั้ยไม่ใช่ครับ 12 ปีเจนเป็นเรื่อง เจเค้าทํางานที่เดียวกันยืนยง 12 ปีทํางานตอนนั้นเป็นพาร์ทไทม์ 12 ปีค่อยเก็บเงินค่าเช่าอะไรครับก็ podcast site talk ถามมาครับซึ่งเนี่ยเหมือนกับตอนที่ยังเราของเราแหงนกันอยู่เนี่ยคิดๆจะมีอะไรอย่างเงี้ยกําลังจะหรือเพิ่งเจอคนนี้ครับเขาที่ทํางานเค้าอ่ะครับอ๋อ เออหรือจะคงๆใช่มั้ยเออสอยคนใกล้ๆตัวดีแหละแล้วๆๆคุณที่ทํางานไม่แต่บางคนก็โอเคนะแดงแต่อย่างชั้นทํางาน เด็กก็จะจับตนแต่แล้วเออไม่แต่ปีน 12 ปีเนี่ยชื่นชมแค่ 72 วันนี่ก็หรือ 12 อาทิตย์นี่ก็นาน 12 อาทิตย์ใช่มั้ย 12 ปีแล้ว เพิ่งเหตุการณ์มาเดือนครึ่งเองอ่ะ สสล. สสล. แล้ว 2-3 วันถึงจะติดต่อได้คุณวียังมีเออมีอะไรอยากจะพูด อืมก็คือแบบไม่เคยเจ็บไม่เคยโคกหักมาก่อนเลยเงี้ยแบบเจ็บครับอืม ครับกับเพื่อนพอเจอเพื่อนอะไรๆนะตอนตอนที่คุณอกหักเนี่ยคุณต้องอยู่กับ ก็ก็เผื่อเผื่อบายสําหรับคนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อาจจะมีอารมณ์ๆกันแบบคุณวีนะเมื่อตอนเอ่อเดือนนะก็คุ้นเคยโอเคอ่าพัก ลาเพลงพี่แต่ละเพลงเนาะเลือกมาให้คืนนี้คนอื่นเลือกนะเออรู้รู้จักสิเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลย ประเด็นนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ช่วยๆกันเลือกแล้วก็มัน พยายามส่งไฟล์ที่มัน 27 มีนาคมปี 2514 นะครับก็หลายคน กะอ๋อเค้ามีขึ้นกี่ครั้งนี่ถ้าได้คุณเค้าหนุ่มอินโดครับคุณเนี้ยเค้าเค้าชื่อว่าคุณอุ๊ยชาลูพัวดีเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยชาลูก็พออ่ะเออคุณคุณคุณชาลูเนี่ย 39 ปี เขาบอกว่าหนูมีดาวคนเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อตอน 2547 นะเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พายญาติ มหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากเมืองเซนไดเนี่ยทางจะฝั่ง 5 กิโลเมตรซึ่งคลื่นยักษ์ 2 รอบเลยเก่งอ่ะ 2 5 เมตรคือมันมันมาเกือบจะท่วม คือจริงจริงๆไม่อยากจะบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวๆๆอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธเนี่ยปิ่นๆเนี่ย เอ่อแล้วก็เชียงรายเนี่ยก่อนแล้วก็พิษณุโลกแล้วถึงอ่ะเนาะแต่ว่าเออว่ะสู้ว่ะเรามี โนลิฟันเออโนเอ็กステンชันแล้วเครื่องบินก็ยังจะไปอยู่อ่ะไม่สามารถ เอ่อตั้งแต่เหตุเกิดขึ้นเหตุเกิดตอนนี้เค้าไม่น่าจะเออเออเค้าจะ เขาบอกว่าเริ่มมีคุณภาพนู่นนี่นั่นน้ําทะเลใช้น้ําตรงนั้นใช้ไม่ได้น้ําไอ้นู่น ก็ถือว่าไปช่วยเหลือละกันมีเพื่อนของเพื่อนชานอยู่ที่นู่นเค้าก็บอกว่าเนี่ยเค้าจะครับเค้าก็ทนทํางานต่อเพื่อครับก็ทนอยู่โตเกียว ก็เดี๋ยวรอรอแป๊บนึงละ 02 338 3589 90 นะสําหรับคนที่อยู่ในเอ่อเค้าเรียกแล้วก็คอมเมนต์กัน เอ่อเสียตังค์เยอะแยะส่วนเอ่อมีคนเขา Facebook เธอกับ Facebook ฉันของ คุณโหนใช่มั้ยคุณโหน @hotmail อืมก็จะเจอคุณโหนเลยภาษาอังกฤษ KHUN NORK คุณ @hotmail โอ้มันเป็นแล้วทําไมเจเออก็มีคน คือเอาอย่างงี้แล้วกันแบบไม่เป็น 13 45 ก็ตั้ง 13 ไป ไปถูก 13 เมษานะซีโล่แถวๆนุดดี้ระหว่างที่คุณนะนี่โฆษณาให้เค้า นะครับแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะคุณอาจจะได้เจอพี่โนกเออหรือคุณเอพระขหนองนะครับก็อืมไม่ เป็นเสียงปิ๊นกับพี่เนี่ยมีเอกลักษณ์อ่ะคิดว่าคนฟังอันนี้ไม่เนี่ยใช้ปิ๊นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงแค่เนี้ยอ่ะมีสายหรอสวัสดีครับครับครับคุณอะไรครับน้องบอยโอ้ยคุณ พี่หลอกกระเดกพี่หลอกด่าว่าไงจ๊ะเธอแหมมีคนก็บอกว่านางบอยด้วยนะโอ้ยแรงมากผมไม่ รักได้ผ่านขนไปเที่ยวเท่าครั้งไหนล่ะครั้งเนี่ยครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 ในชีวิตครั้งที่ 5 ของปีไหนใจใจปีปีปี 52 แหละ 2 ปีแล้วอืมเป็น 2 ปีแล้ว 2 ปีเป็นเป็นใครเค้าเป็น ฟายเน่แคมวองนี่แหละเหรอคุณเล่นแคมฟ็อกซ์เลยเหรอเออจ้ะแคมฟ็อกซ์จ้ะเออแล้วยังไงต่อแล้วเป็นไงก็บอกว่าเออจะเอออืมแล้วก็บอกว่าไปแล้วเมไปมั้ยถ้าไปก็เดี๋ยว ใช่ค่ารถอืมให้เลยแมนมั้ยล่ะ 500 นี่ครับเออเออไปเที่ยวกันได้ 2-3 วันเออแล้วเป็นไงเลิกอ้าวอือเพราะอืมเธอไม่ถึงจะทําตัวเร็วๆ แต่เยอะกว่าอีกแล้วนี่ค่ะค่อยตลอดมันมันแบบมันแค่คิดว่าเป็นหายดีเลขพะนกฮะมันมันกินขาดนะพี่คําว่ามันดีเกินไปเออให้แบบ เธอมีแฟนมาคนนึงอ่ะคน 2-3 เดือนอ่าพอพอแบบคุ้นเออไปกับคณะอืมเดี๋ยวเออ อ๋อแต่นั่นก็มีการยิ้มเกิดขึ้นตั้งแต่ 2:00 น. ยันถึง ป่าวป่าวมันเป็นกบในกะลานะฉันจะคิดจะกันเสร็จไม่ใช่อ่ะเออไม่ได้กบในโอเคโอเคโอเคเอาเข้ามาต่อเข้ามาต่อเออ พอไปถึงเห็บกลับมาผมโทรศัพท์ไงถึงแล้วเริ่มกันเลยนะอ้าวทําไมอ่ะบอกว่าเออทําไมอ่ะอืมสําหรับคุณคงจะไปหาอืออ้าวแล้วแล้วผมก็โทรศัพท์ไปทวง ขอคุณขอพ่อให้ขอเงินพ่อผมโทรครับอ้าวหายไปจริงๆด้วยนี่หายจริงๆนี่เออไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราติดต่อ ครับคุณอะไรเออหน้าของเราคุณน้องทิวคุณน้องทิวคุณน้องหรอคุณน้องทิวขอบคุณมากค่ะที่ดูครับชื่อน้องทิวก็บอกแล้วมั้ยเออแม่งเอาตัวแสดงแทนฮะใคร ประทิงดูดีจริงต้องคนละแบบคนจริงๆจะทวงอีกนิดนึงเนี่ยคุณทิวนี่อีกอีกคนนะที่เราสามารถเก็บค่าสัมภาษณ์เราอ๋อใช่ครับ ต้องขอหลายๆหน่อยละต้องต้องคิดครับเฮ้ยคุณนับผิดหรือเปล่าอ๋อ 6 6 มีนาคมเออๆ ครับผมตายถึงครบรอบครั้งแรกยิ้มกันที่คุยกันก็วันเออดีนะเออเออถูกอ่ะโอเคคุณคุณ รักคือวันแล้วใช่ประเด็นคือรักที่ผ่านพ้นไปสําหรับก็ยังไม่ผ่านพ้นยังไม่ผ่านเออคมอืมเออครับผมก็ ครับเราว่าของว่าเค้าฟังรายการนี้อยู่เค้าว่าเค้าเออๆอันนี้ครับผมหมายถึงคําถามพี่หรือคําถามพี่เออคือ เขาบอกว่าผมมีแฟนแล้วโหอ่ะไม่เป็นไรก็คุยกันไปฝึกกันเค้ามีแฟนแต่แอบ ครับผมมันมีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครับอ๋ออ๋อแสดงว่าตั้งแต่ตอนเออหมายเอออ้าวแล้วนี่แล้วมันเดี๋ยวๆๆโอเคครับใช่ อาฟราฟเทมพอรถแทรมใช่มั้ยครับเออเขาแล้วจะมีอะไรผมอ่ะครับนั่นขึ้นเออไปเอออ๋อถึงบอกว่า สง่าเนี่ยมันก็เป็นดีนะเออมันถึง 100 บาทครับใช่เออเค้านึกว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วเธอก็ให้เค้าคุณ บ้างหรือบอกงามไส้ 3,500 บาทพี่พี่โอ๊ยคุณมันจะเราไม่บอกเนี่ยชม้ามาเดี๋ยวได้ 1 2 เดี๋ยว 2 3 4 5 5 คนเอา 5,000 บาทเอ้อจบเลยงาม แล้วคุณมาพูดในรายการเออนี่ลิปของผมเออเออเดี๋ยวจะ ไม่ได้ขอยิ้มครับแต่ไม่ยิ้มเค้าหาวจะเอ่อพี่เร็วๆเป็นยังครับอะไรนะดูดราม่ามั้ย ja 2 ฉัน อืมแล้วคือจะจบว่าไงอ่ะจบยังไงอ่ะก็ตามจบอ่ะครับอืมอืมก็เค้าก็มีใครเข้ามาจะตายครับแล้วอืมมาขึ้นอืมเดี๋ยวๆ พร้อมเน็ตกระครับในเน็ตครับคงครับเอออ่ะๆๆคุณเลยนะเนี่ยรักที่ผ่านคุณทิวเนี่ยโอเคคุณคุณทิวเออคุณทิวนะคนนั้นน่ะที่ที่คุณนี่คือคนใน แล้วคุณก็ไปนัดกันเมื่อครับโอเคอันนี้เป็นสรุปให้ฟังก่อนอืมเออโอเคก็โอเค แล้วผมก็ไม่คิดอะไรกับเค้าครับไม่ไม่ได้คิดอะไรกับเค้าด้วยครับผมก็แค่ว่าขำๆอ่ะครับขำๆเออๆๆๆๆจะไม่ขำล่ะเออโอเค พอพอจะหลายๆคนเค้าอาจจะไม่คลีนเพื่อนเออเนาะอ่ะเอออ่ะๆๆอ่าออนตะโร่ก่อนตะโร่ไว้โอเคเจงงงอ่ะไปฝึกโอเคขอบคุณว่าคุณ งงนะนะรู้สึกตุ๊ปี้เคนันน่ะสิเดี๋ยวสิไปก็ทิวตุ๊ไม่ใช่ทิวกูชื่อตุ๊ปี้เออเอ๊ะน้องบอยไอ้บอยเค้า ซับโซลแล้วใช่มั้ยเค้าเป็นอะไรอ่ะเค้าเป็นอะไรเค้าคือนุ๊ปปี้เค้าก็คือนุ๊ปปี้อ่ะแต่โอเคแต่ตอนนี้ โอเคแล้วโอเคแล้วเอาวางสายได้ได้เออมารับไม่ผมไปวางน้ําเขียวเสร็จใช่มั้ยล่ะ 3 วันไอ้หลังเค้าก็บอกแล้วใช่ป่ะแล้วก็ทวงทวงเงินไว้แล้วทวงนั้น เดี๋ยวผมคิดถึงคนนึงมากโคตรคิดถึงเลยอ่ะใช่ครับผมแบบคนนี้คนคน 5 นะคน 1 ต่างเมื่อกี้ยังบอกคนที่ 5 ข้างในครับพี่ครับใช่ๆๆผมคิดถึงคนนี้มากเลยเค้าชื่อทอฟฟี่เออเราก็ลบเลยรู้จักกันอยู่ที่ผับแห่งนึงชงๆๆๆได้มั้ยเออ ไปไปห้องเค้าไปคอนโดเค้าเอออืมก็ไปนอนคอนโดเค้า 4 วันไม่ไปทํางาน 4 วันไปนอนคอนโดเค้า 4 วันอืมแล้วเค้าแล้วเค้าเค้าเพิ่งหาที่เรียนแล้วเธอก็อยู่ 4 วันอยู่ 4 วันเค้าก็ไม่ไปเรียนก็ 4 วันโอ้โหงามไส้มากมาราธอนเนาะอืม ผู้หญิงคนอ้วนน่ารักดีแล้วคนอ้วนได้มั้ยเขาก็ชอบคนอ้วนใช่มั้ยเอออ๋อเขาชอบคนอ้วนแล้วคนอ้วนมันๆกับหลิน จุดตัวอะไรหนุ่ยอ่ะเออจะยอมหลิน 2 ช่วงหรือเป็นหลิน 2 ช่วงก็มีช่วงจากมีมีตติ้ง ยังยังไม่รู้ 13 เมษายนก็ 13 14 15 45 16 คงไม่เล่น 13 14 15 พอ 15 ก็เออ 16 พัก 17 เต็มตัวทํางานนะจ๊ะเอาไม่โอ้โหจะเอา โหเหรอไม่ต้องถึงขนาดนั้นเหรอขอเป็นแบบเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตได้มั้ย 2 กล่อง 1 กล่อง 1 คนเออขอแบบบางสําหรับมีบ้านแบบเดิมบางเวลาไม่มีอ๋อคุณดาวครับ น่าจะใกล้จะหมดเวลาแล้วมียังไม่มีสายไม่มีสายอื่นแล้วเนาะโอเคก็บอกว่าอ่านอ่านอ่านสอ่านข้อความเหมือนกันนะครับว่าจะอ่าคุณพี่ก็ราตรีสวัสดิ์เนาะคุณพี่ก็ ลอล่าลอล่าเออก็บอกว่าอยากบอกอ่าตบมือให้เขาด้วยนี่ก็อีก 1 คู่ใช่มี เขาบอกว่าได้ยินว่าว่ามีมีตติ้งเมื่อไหร่ครับแต่คุณเอก็รอไปก่อนนะเอออะไรอีกอ่ะอะไรโอเคก็นะทั้งนี้ว่า มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะ พันส่ง